ก็ขอนอนกอดพัฒนาตายขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อพุทธญาณมันโทที่เป็นประธานสงฆ์กราบถวายความเคารพอาจารย์ทุกรูดแล้วก็เพื่อนหมู่วิสุสงฆ์ทุกรูดว่เจริญสุขเจริญธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน ก็หลวพ่อให้เล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมที่ทําตามหลวงพ่อมาสิบหกปีรหรับการทำความรู้สึกตัวตลอดเวลาตั้งแต่ปีสี่สองมาทำลักษณะ ข, ของความเป็นโยมเป็นทวก้า ก็ได้อาศัยวิธีการที่ฝึกไปแล้วนั่นแหละไปทำกิงานาเหตุที่ได้เข้าวัดก็มีจิตศรัทธานในการออกบวชอยู่บ้างเพราะเป็นเด็กภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดอุบลเป็นถิ่นของหลวงปู่จันทร์นูคาสองของหนองปาพงายืนตอนเช้าจะ คอยดูภาพบินทราบาทแล้วก็ให้แม่เขาใส่บาทล้วก็ชอบอยู่แต่พอโตมาเราก็ไปกับสำนักทะยานดิบพรค้าขายอยู่ขายที่แรกก็เปิดร้านตัดผ้าอยู่ในเมืองนครสวรรค์ลหลังก็มาเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าขายโจ๊กข้าต้มก๋วยเตี๋ยวอะไรพวดนี้ที่สีแยกสะพานเดชาที่บุง้ง สิบเจ็ดปีก่อนที่จะเข้าวัดในช่วงนั้นเมานะ <c oughs> เมาเมื่อก่อนไม่มีกินก็ต้องเซนเหล้าบุหรี่อะไรเนี้ยนะเพราะ ม, มันขาดไม่ได้ พอค้าขายแล้วก็เมาหลับขึ้นไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ําเปล่าแล้วเบียร์เป็นเหล้าเป็นสไปร์เป็นอะไรไปตลอดไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ํานอนก็ไม่ได้เวลางานเยอะเวลาพักผ่อนน้อยเวลาที่พักผ่อนก็นเหมือนรถด่วนนะรีบดื่มรีบเสร็จเบียร์เป็นโหลมันก็ไม่ย่อยก็ต้องเอนอนอนไม่ได้ไหล ขาะนั้นในะชีวิตนะแล้วชีวิตนี่ในความรู้สึกของเราที่มีนี่มีเล่าแล้วเอาบุหรี่หน้าลีเนี่ยนะขอโทษนะที่พูดความจริงเพราะชีวิตมันต้องการอย่างนั้นทีนี้เมื่อมันเมามากๆก็เอ๊ะทำไงจะออกจากน้ำเมาได้เพราะมันหลายปีสะสมมาแล้ว ก็เลยสำนักไหนที่เขาปฏิบัติทำเข้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะที่นี้มีวัดเกตนนะแม่ชีจะรวมตัวตรงนั้นแล้วก็แหวนเนี่ยเขาไปบวชชีแล้วก็ก็ยังวนเวียนอยู่ในการปฏิบัตินี่แหละก็พยายามให้ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไปหาวัดหะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่เอาแล้วเพราะว่า รดของกามอารมณ์เรื่องเพศอะมันไม่ได้การทาคือต้องทำให้จริงอะไรเนี่ยเป็นคนจริงริงจริงเที่ยวจริ ง, ท, รงทำอะไรก็จริงหมดเลยนะก็เลยเพราะว่ามีที่นึงแพ่แสงเทียนเอา้าจะลองไปดูแพ่แสงเทียนเพราะว่าคืออความทุกข์มันผีคัน คนที่มีอิทธิพลก็จ่ายยิงให้คนที่มันเป็นนักเลงสั่งกว๋วเตี๋ยวแล้วมันก็มันมาทีหลังมันก็จะเอาก่อนเร้าไอ้คนก็รอ <c oughs> เขาเหลืองเล็กใหญ่หุ่นหมดก็ทําไงอะเขาวยวายว่ว่มึงยาไงาวะ <c oughs> อันกูไม่กินเลย <c oughs> เอาลูกคุ่งเลยนะ <c oughs> เออไม่กินก็ไม่กินสิว่ะสัตว์ก๋วยเตี๋ยวตัดหน้ามันเลย พกดาบสปาร์ต้าไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะมาเอาคืนเราเลยให้น้องน้องสอบติดตำรวจใหมมึงไปซื้อดาบให้กูมาเล่มนะงานวัดเขาพอดีเอาอย่างยาวๆเลยนะแบบในหนังจีนเขา ว, ว่าไปตัดซื้อมาให้กูแล้วมึงไปเลยมึงไม่ต้องมายุ่งตอนนั้นก็เป็นพวกค้าร์ไม่เลงและเสียมดาบไว้ตามในหลังคารถบ้า ง, าางตามในลอ้อรถ เวลามาจะได้ดึงง่ายๆมันก็มาวนอยู่ก็เข้าไม่ถึงตัวเราน้องชายคนนึงก็รู้ข่าวก็มานั่งอยู่ด้วยพขก็มานั่งคุยกันเขาก็เตรียมจะเล่นอยู่แตน้องเขาไม่ไม่เข้าเราย้อนกลับมาว่าวิธีการปฏิบัตินี่แะเพราะเรื่องนั้นนี่นนยาวไปอยู่ถึงได้เข้าไงเพราะมีความทุกข์เพราะว่าความโกรธนี่แหละ เขาจ่ายยิงทิ้งแทนอยู่ตั้งไม่รู้กี่เดือนกี่ปีจุกอยู่ในหน้าอกจะตามไปเสียบไปแทงตามห้องน้าตามร้านอาหารเขาจับกูไม่ได้หรอกกูไม่ใช่นักเลง <c oughs> มีงั้นเลยนะแต่ว่าความห่วงลูกคนเดียวนะมันไม่ให้ทําทาแล้วเดี๋ยวจะหาเลี้ยงลูกไม่ได้ก็เลยชีวิตก็ไปถึงแพ่แสงเทียน เขาบอกกันไปวันที่สิบสามกรกดาคมก็ไปเต็มที่เลยสั่งลาวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองแล้วยังสี่วันหนึ่งไอ้ยี่ห้อไหนที่ยังไม่ไกิดจะไปเอามาถ้า <c oughs> ขายของทั้งคืนยันยันแจ้งอ่ะนะพักผ่อนกลางวันนอนกลางวันไปเอามาแต่มาก็ทีนี้มาเลื่อนนัดกลุ่มแม่ชีเลื่อนนัดโอ้ ปูยังไม่ได้สั่งลาเตียมพี่เลยเลื่อนนัดในีเร็วขึ้นเป็นวันที่สิบสองวันที่สิบสองก็ยั่วนะยังไม่ได้พักผ่อนเลยดล้มตัวลงนอนอน้ําก็ยังไม่ได้อาบมาเรียกบอก เ, อเขาเลื่อนนัดในีไปตอนนี้เลยว่าเสื้อผ้าเตรียมเดือบร้อยเขาเตรียมให้หมดแม้กระทนที่กระดาษเช็ูเตรียมด้วยก็ว่ากลัวผีก็เตรียมให้เสร็จเลยยั่วกับปก็เอากระเพราผ้าเนี่ย วางใส่มอนใส่แล้วก็โยมแม่บ้านนะั่นแหะเขาก็มันตอนท้ายมาส่งคือโมโหไงเบิรนรถแรงแรงแล้วก็ลาคาร์ดเนาะมันก็วิ่งไปแล้วแล้วยังเลียคาร์ดด้วยเนะมันก็ยกล้อลอยขึ้นไปทั้งคันแล้วลอยรี่วเนียงวิ่งอยู่วิ่งล้อเดียววิ่งล้อหลังล้อหน้าก็ยกไปเรื่อยๆความโกรธมันลดลงก็ล้อก็ลงด้วยรถดีนึกกลัวเขาหล่นนี่แค่แต่กลัวคนท้ายหล่น มันยังไม่หมดเว้ยมันโกดกอกสองกันมาก็้ววิ่งไปไกลแล้วยังยกขึ้นมาอีกอ่ะตลางนั้นได้ก็แจ้แจ้แย้วิ่งอย่างเร็วเลยไม่ได้อะไรเลยจากถนนมหาเทพมุ่งออกมาตรงสี่แยกไอ้สายเอเชียนะวิะ่งมาบกศเข้าบกสอจอดคึกขาวอักหลากเลยไม่ชี้ว่าเหลี่ยมมากทำให้จริงนะมันผมนะผมเนี่ย คนจริงทำอะไรทำจริงโกรเลยน ะ, ะขึ้นมาในบางเขาก่อคาร์ลตให้แมชีด้วยน ะ, ะมีโยม ส, มสวยๆไปคนหนึ่งแมชีนำทางคนหนึ่งขึ้นรถบอสบไปโอ้โหเมาทั้งคืนแล้วนี่เมารถอีกกับแก้มออกฤทธิ์ผูหล้นทุไลายตลอดทางทุกหลักเลย เขกแหนกดต้รานมากกันอนเลยไปอีกเมารถสองแถวกลับมาก็าจจาทางไม่ได้ถึงแพร่แสงเทียนเวลาบ่ายๆโงเรียนเลิกแล้วเอ็ <c oughs> นอาจารย์บอกตอนหลังมันเหนึ่งนะึง <c> เ <oughs> ขาแพ่แสงเทียนก็อาจารย์พาไปส่งสุติเดินไปข้าเท้ามันแพงเมื่อก่อนเป็นอาสมมันยังไม่เจริญนะข้เท้าแทงเหยียบดินปวดมาก พอเก็บของเสร็จมาเดินหน้าสลารอทำวัดบอกเดินอย่างงี้นะให้เดินตรงนี้แหละแล้วพระอาจารย์กตินก็ไปนั่งคุยกับโยมนั่งคุยกับโยมอยู่แล้วก็มองเขาบอกให้เดินเราก็เดินจริงนะเพรมตรงจริงเลยบอกให้เดินก็เดินโอ้โหมก้าวนี้แหละกูจะหยุดก้าวนี้กูจะนัง่งก้าวนี้กูจะหยุดก้าวนี้กูจะนัง่งมันเจ็บปวดไปหมดแล้ว แค่แค่ชั่วโมงต้นๆเองนะเจ็บจะตายใหาอยู่บ้านนะหยุดหลายวันในความรู้สึกเจ็บขนาดนี้แล้วต้องหาหมอต้องเสียงเงินอีกโต๊ะก้าวนี้กูจะหยุดก้าวนี้กูจะนั่งยมลงเดินเนาะเดินแบบไม่หยุดไม่ท้อหายไปปิดทิ้งเลยหายไปได้งไงงงเงอ้ยนี่นะแค่อตอนแรกเองเนาะ พอเข้าทาวัดปุ๊บ ก, ก็โอ้โหมาเลยโอ้หนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันได้ทําลายทรัพย์สิหามาได้ให้พี่นาถทิพายไปเพราะนั้นหุ่นหนทางอย่างความเสื่อมสะดุ้งหยงเมีด้วยเหรอมันตรงขนาดนี้มีด้วยเหรอมันตรงขนาดนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่บทสวดแล้วนะเอา เสร็จแล้วก็ไปเข้ากุดไปเข้ากุดยาวออกมานะแเหมือนในเล้าไก่เยยังว่าเลยมุงเขียวอย่าวออกมานะให้เดินอยู่ในนี้แหละนอกจากปวดหนักกวดเบาให้ออกมาก็าทิงอีกเขาสั่งให้ออกก็ไม่ออกโอ้พระ อ, อาจารย์ไม่ออกก็ไม่ออกเพื่อนเดินได้เจ็ดเก้า เจ็ดก้าธรรมดาเนี่โอ้โหเมาเลยมึนเลยเดินไปหน่อยนึงถึงหัวกันต้องกลับไปกลับมาเหมือนไก่วิ่งในสุ่มเลยนี่โอ้โหออกรสชาติเมื่ อ, อก็มานั่งทำอยู่สองวันวันที่สามมานั่งเอา้าเมื่ อ, อก็ดูแข่งดูขาตอนนั้นอายุสามสิบห้าดูไปดูมาเอา้ามันมีขี้ทั้งตัวเลยเลยเรานะ ขี้มันั้งตัวอะไรขี้ออกมาตามรูขุมขนก็มีมันไปเห็นขี้โอ้ไปปลูกตรงไปพิจารณาสุภามีสติมากเข้ามันกลับมาดูตัวมันจะเห็นนะสุภาพขี้ออกมาแม้รูขุมขนก็มีขี้บ่างเี้ยเอ๊แล้วมันจะไปทำอะไรให้ตับตัวเองบ้างที่มันดีขึ้นกว่านี้อาชีพเงินนียมันดีอยู่แล้วแต่การกระทำเนี่ย อะไรที่มันมีปัญหามันมันย้อนกลับมาดูโอ้กินเหล้าแล้วก็ฆ่าสัตว์พรมันได้กินลาบไก่ก้อยไกล่ลาบเป็ดป้าเป็นเอามาค่าสดๆแล้ ว, ว, วมันไม่อร่อยนะขอเล่าโอ้ไม่กินเหล้าก็ดีไปหลายอย่างาเัยฮาเียบร้อยไม่ทะเลาบเบาแวงไม่เสียเงินอีกทัสุขภาพไม่ฆ่าสัตว์ตัวพืช ผ, ผิดในกรรมไอ้การมีอ่าตรงๆเลยเนาะ การมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอย่างเงี้ยนะไอ้มันความรู้สึกมันเข้าใจว่าผิดในกรรมด้วยนะตอนนั้น <c oughs> ออกยังยังยัง <c oughs> มาเนือเลื่ไม่กินเหล้าค่าสัตติีวิตเอาแค่ีแหละนอกนั้นเอาไว้ก่อน <c oughs> ยังยังยังทีนี้มันก็เป็นแบบพุโทโธเลยไม่กินเหล้าค่าสัตตีวิตไม่กินเหล้าค่าสัตติภิตเดินยกมันกลับไปกลับมาอา้าว แล้วอันนั้นละยังยังยังแล้วว่างทะเลาะกันทะเลาะกันยังหนักนลยนะแบบเหมือนวิ่งเลยนะมันทะเลาะกันแล้วมันก็ออกไปข้างนอกตัวแล้วเอ้าแล้วจะไปยังไงหยุดหยุดจึ๊กเอ้าแล้วมันกลับเข้ามาใหม่มันตีกันหนักเข้าอีกจิตกับความคิดไปอยู่ด้วยกันใจใจมันรองล่างมันหม้เรื่องรับนอนมันหมดยังยังยังเออถ้ามันเอาได้กันเลยหมดตั้งแต่ตอนนั้น ทีนี้ก็ตรนนั้นแหละได้เห็นวความคิดกับจิตอารมณ์ใจกับร่างกายมันคนละอันกันไม่ใชนเดียวกันแค่สามวันนะสองวันสองวัน ก, กว่าแล้วเน่พราะตอนนั้นพระอาจารย์ท่านถามก่อนน้านั้นว่าคนเราทำไมถึงตายนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับพระเนี่ยใจขาดตายมั้งครับ ไปดูสีอะไรทำไมถึงตายเงี่ยอะไรไปปฏิบัตินั่นแหละก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดินเดินจึงไปเห็นใจกับกายเปนคนละอันกันก็เลยดีใจเดินไปเดินมาดีใจก็เลยกลับไปบอกพี่สลาอาจารย์ครับผมเจอมันแล้วทะเลาะกันใหญ่เลยเออไปดูต่อมันจะทะเลาะกันหนักกว่าเก่ามันเลยเนี่ยทะเลาะกันหนักเลยครบเจ็ดวันมีอะไรมากระซิบที่หูนั่นแหละ บอกให้อยู่ต่อจะได้เอาของดีไปใช้อบอกอาจารย์ฟังอาจารย์ก็เอาเก็บอารมณ์ต่อเจ็ดวันเห็ดวันนี้ <c oughs> ทำความรู้สึกเต็มที่นะทำเดินวงกลมนั่นแหละดัดเส้นดัดเอ็นทุกอย่างเดินอยู่ก็มีคนนั่งข้างๆกลา ง, งวันนะผู้หญิง ใส่กระถ ung ลายไทยเอา้าสักพักเรายกมาสร้างอีกว่าสัพักมีผ้าบอกเอา้าตราจะมาเจ้าของให้รู้กึ่งรู้กึ่งไม่รู้นั่นแหละก็เลยล้มตัวทับภาพนั้นไปมสลึมสลือตกเวลานอนก็นอนเอา้านอนตแต่แค็งอยู่หลับไปแล้วแต่พอตื่นมาอีกทีนะ่ะมันมีตัวนึงที่นอนท่าเดียวกับเราเลยไม่มีเสื้อผ้าสีเนื้อเราเลย เขลมตาขึ้นมาเอาอะไรวะเนี่ยโอ้ยงนอนง า, นายอะไรก็สร้างยังหวะท่าดอนนั่นแหละปังปังปั ง, ปงแข็งไปทั้งตัวกลัวพอสร้างหนักเข้าหนักเข้าก็ชัดทั้งคืนเลยทีนี้ใบไม้จะหล่นจะขั้วก็เห็นทั้งทที่มันมืดนะมันรู้สึกว่าเออใบนี้จะหล่นแล้หล่นแกถึงพื้ น, นลแล้วก็รู้ชัดไปหมดผลลไม้หล่นรู้รูไปหมดเลยชัดไปหมดเลย เท้ามาอ้อยอยาชีหนหูขอยาไม่ไหวแล้วระบบแม่ชีขอยาหน่อยอ่าได้ของดีแล้วที่ว่าโอ้ยยามาสองเม็ดยาไปแล้วก็นั่นแหละก็เลยทำความรู้สึกตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอครบวันที่ยี่สิบเจ็ดพวกกับพร้อมรถตู้ไม่รู้ลรวหลงพอเทียนเป็นใคร มีชีวิตอยู่ยไหมให้หลวงพ่อที่จะเป็นเอารถตู้เนี่ยไปรับที่มรุงเทพที่เมืองนอกอะนะที่กลับจากนอกเนี่ยก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไปรับหลวงพ่อกันติดรถกลับกลับมาวันที่ 21, ยี่สเจ็อยู่อยู่สิบสี่วันไปี่สิบสองจากนั้นมานี่ไม่เคยหยุดเลยเดินย่งกลมอยู่พูดบาทรับค้าขายไปด้วย ตลอด12ปีช่วงระยะ12ปีนะี่อยากหวดตั้งแต่พห้อยตอนที่มันเห็นนั่นนะที่มันมนรู้สึกตัวครั้งแรกมันเป็นสูตรนะแล้วมันก็อยากจะมีสำนักตั้งแต่วันนั้นเลยนะว่าถ้าทำอย่างนี้นะถ้าไล่ให้คนทำความรู้สึกตัวไปตั้งแต่ระดับล่างเยาวชนไล่ตั้งแต่ผู้บริหารลงมา ปฏิบัติทํอีการทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนะี่ดีหมดเลยตอนนั้นเห็นอย่างนี้นะอถ้าทําได้อย่างนี้นะเพราะมันอันเดียวกันก็เลยเ อ, อ้ามีโอกาสก็มีที่ปฏิบัติก็เริ่มนับห้อยหลังจะบวชแล้วทีนะีตนตน้ตอนแรกตอนตอนแรกๆก็อยากบวชอยู่สิบสองปีเริ่มนับแปดปีหลังเริ่มนับถ้อยหลังเริ่มเก็บเงิน เกีบเงินเพื่อที่จะหาทําซื้อที่ดินไว้เป็นที่ปฏิบัติแปลงเล็กแปลงน้อยตรงนั้นตรงนี้ไปดูไว้แล้วก็ฟังเทพหลวงพ่อมหาไปเรื่อยๆ เ, เราไม่มีปัญญาเราก็ฟังให้มันมากฟังหลวงพ่อมหาท่านก็บอกอย่างยานสามภาคปฏิบัติอย่างนี้เ อ, อคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องอาหาเงินได้ก็ซื้อที่ดินที่ตอนคุณผู้ฟังไหม จะ ไ, ได้เป็นเจตสีข้างหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ฟังไหมแล้วก็ทําตามฟังเทปค่อนข้างเยอะทุกหลวงพ่อกันเพื่อเพื่อไม่ให้ตัวเองหลงทางด้วยแล้วก็สลายที่ติดวิธีการด้วยกว่าจะสลายวิธีการนี้เพราะว่าหลวงพ่อเทียนแน่แน่ในใจนะหลายอื่นนสู้ไม่ได้หมดเลยนะฟังหลวงพ่อพุทธทาสฟังหลวงพ่อชาเนี้ยนะ ฟังเยอะๆสะสมไว้ทีนี้ช่วงที่อช่วงที่ถอยหลังออกมาเนี่ยเริ่มนับถอยหลังนี่หลวงพ่อก็แวะที่บ้านบ่อยขึ้นชวนบวชให้ออกบวชสักเดือนนึงอะไรประมาณนี้โอ้หลวงพ่อผมไม่บวชหรอกถ้าผมบวชผมจะบวชไม่สึกคือบวชแล้วไม่สึกคือเอากันทั้งชาติเลยชีวิตที่เหลือเลยนะเพราะมันเห็นแล้วนี่ว่าว่ามันมีทางนี้ทางเดียวที่จะ มันสัมผัสแล้วมันดีขึ้นแล้วก็มันเล่าไม่หมดหรอกพ่อหลวงพ่อเขียนไว้ในจะรับมองด้านในเล่มห้านะเล่มใหญ่ๆตุนเก่าท่านเขียนไว้บุพเนนิวาสานุสสติญาณจุตูปัตยานอาสวะขยายญยานลองไปก้นดูเรายกมือไปนี่มันเป็นอย่างที่ท่านนั่นแหละอย่างที่ท่านว่ า, านั่นลมันจะบอกเสร็จเลย ทานมาตั้งนานทำมาปีสี่สองปีสี่หกถึงไปเจอภาวะที่มันเห็นในะการจิติอุบัติเคลื่อนพวกนี้เอาไปเห็นในเอาแล้วนาะเรื่องเพียรอีกแล้ว <laughs> เราเห็นตะกั่วแ ต, แตนมันผสมพันกันอยู่ไอ้มงเขียวมันเกาะอยู่เราก็เดินโยกมกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันไม่ไปสักทีตั้งหลายชั่วโมงมันเคลื่อนกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เดินไปเดินมาโอ้โหถ้าเป็นเรานี่ทุกตายเลยหนักไปแน่แน่เห็นอย่างงั้นนะตัวมันหดเลยลั่นเลยไอ้ลั่นและไอ้ในความรู้สึกของเราลึกๆว่าเสียดายกลัวจะหมดอารมณ์ทางเพศโอ้ถ้าไม่เสียดายตอนนั้นคงจะหายจ่อยเป็นเสียตอนนั้นแล้วนะตอนนั้ น, น, น, น, นถ้าเล่าให้ละเอียดมันมันก็จะมีใช้เวลาเยอะทีนี้ พอมาทำระบบการพอพอมาช่วงปีสี่สี่เจ็ดวันที่ยี่สิบสองกุมภายี่สิบสองกุมภาหลวงพ่อกําลังจะบินเมืองนอกไปเมืองนอกอาธรรมากกายภาพมีอยู่ที่โร ง, งพยาบาลหลวงพ่อบอกให้ไปช่วย ที่ใหม่หลวงพ่อไปเจอไว้ที่ชัยอภูมิที่สวยมากจะทำให้เป็นอปอดนักปฏิบัติเนี่ยตรงนี้นะนะหลวงพ่อก็บอกไวใใ้ให้มาช่วยสร้างอพอปกติก็ขึ้นไปตั้งแท้แล้วก็ไปหนหนองปลดปีสี่ห้าพอสองการก็มามาก็สเสบียงมาแล้วก็มามาจอดรถนั่นแหล وم, ะโยม แวนนั่นแหละไม่ออกจากท้ายรถเลยมันแห้งไปหมดเลยไม่มีร่มไม้เลยโอ้แห้งไปหมดเลยตอนตอนคุยกันหลวงพ่อให้ใครดูแลไหมไอพระอาจารย์สมพงศ์อยู่กับแม่ชีแม่ชีสุรางจะให้ตีรถไปแพร่หลวงพ่อก็สั่งแล้วถ้ามันไม่มีที่ปฏิบัติก็ไปแพร่นะพอมาถึงแล้วไม่ออกจากท้ายรถเลยไใ้ในใจนะมันพูดมาบอก ตัวรู้ที่เราทามาสะสมมมันดูใจตลอดนพุทธบอกนี่ตรงนี้แหละเป็นที่ดีที่สุดต่อไปนี่มันจะเป็นที่ดีที่สุดแล้วตรงนี้ก่อนบอกงั้นก็เดินมาหาอาจารย์นพพงศ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ลมถนนนิดนึงคุยกันไปก็ย้ายลมไปแล้วก็ได้ปฏิบัติปฏิบัติกลับไปก็ ไอ้หลวงพ่อเไยหลวงพ่อให้ตังค์ไว้เท่าไหร่สามพันหรือเจ็ดพันะให้ได้กุฏิห้าหลังเท่ไ <c oughs> <c oughs> าไหรอาจารย์บอกแต่ใ น, นก็เริ่มเริ่มสร้างกุฏิเอากุฏิสามหลังแล้วกันแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําฝั่งนี้แล้วก็ห้องน้ําฝั่งโน้นต่อมาก็เอาทํานวนทํานี่เพิ่มต่อเติมสลาบ้างอะไรบ้างทําเพื่อที่จะถอยออกทําทําไปทํามาป๋าม้มารุกก็อยู่ตอนนั้นแหละรับหน้าเสืออยู่โอ๊ย กองในช่องเจ็ดใหญ่แบกทายแล้วก็ไปหาชีเ้เขตก็ให้ลบกันหนักอยู่ตอนนั้นไอโยมแม่บ้านตัวเล็กตัวใจนักเลงโอ้โหจะไปสู้กับปลาไม้เขาแบกปืนอยู่ปีนไก่มันจะตีกันไหมอยูนั่งเดินเอียงแล้วก็ปีกมาละมาทานนั้นเป็นโยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าเกียชุดขาวชุดขาว จะลบช่วยอาจารย์อาจารย์ลบไม่ได้ชุดขาวชุดขาวทีนี้ก็ลบกันเรียบร้อยเขาที่เขาทางก็หลายรอบหน่อยแต่นั้นมาก็ก็อยากจะอยู่ด้วยกันหลังก็เลยนคนก็เยอะเยอะเนาะคนก็เยอะขึ้นเอออยู่กันคือออกในออกเป็นครอบครัวอะไรเงรพาลูกสาวทาได้ตอนมหนึ่งแล้ว เราออกก็จะออกกันแบบไม่ทําอะไรเลยจะทํามันนี้อย่างเดียวเนี่ยอยู่ทําความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยงานการไม่ทําแล้วก <c oughs> ็เตรียมแล้วนี่เก็บไว้แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็บอกทางแล้วนะี่อยากเป็นเศรษฐีซื้อที่ดินที่ดอนไว้ฝ <c oughs> ังทรัพย์ไว้ก่อนวันนี้ก็มาขายกินเอาดีนะ่เนี่ยก็เตรียมตัวถอยว่าเออเราก็เก็บผ้าชาวบ้านพอได้ โยมนะพระไม่ยากแร้วพระนี่มีบาตรอยูไปได้ก็สบายแลมีปีกแล้วที่อยู่นี่ยเพราะว่าโยมได้ปฏิบัติด้วยก็อยู่ทีนี้การมีที่ปฏิบัติเนี่ยทุกคนเนี่ยมาเนี่ยเราเหมือนกันที่มาเนี่ยมาเพื่อเอากิเลสออกเรามีอะไรกันนั้นก็แสดงออกมามากทีนี้เจ้าอาวาสเลยเป็นคนรับรับกิเลสโยมเอาอารมณ์เอาปัญหาเอาอะไรมาให้ ฐานไม่ดีก็ก็ต้องร้อนต้องมีปัญหาไปกับเรื่องราวรยาเลย้ยพมาเห็นอย่างนี้พอพอแบกไงแบกภาร ะ, ะของอารมณ์ของผู้ที่อยู่ร่วมก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นโดยใช้ฐานของหลวงเทียนนี่แหละสื่อธรรมะของหลวงพ่อมหาเนี่ยในภาคปฏิบัตินงนะโดใช้อันนี้มาเป็นหลัก ถ้าลมปฏิบัติมันก็หลากหลายระหว่างถูกวันอย่างนี้นะหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีปัญญาถูกปันแข น, เ, นเอ็นขาดหมดมีเหตุการณ์ขึ้นมาหลายเหตุการณ์ที่มันรู้ล่วงหน้าแล้วมันหนีไม่พ้น อ, อ, อย่าง เคยทํานกไว้ถอนคนนกแบบไม่ตายอย่างนี้นะลูกนกบ้างไข่นกบ้างเอาหมดแหละทำอาหาเนะี่ทีนี้นกมันมาวิ่นวนอยู่สี่วันนี่กันในจิตในใจของเราเห็นตลอดเนะี่ยเหมือนเราเห็นเดินดูความคิ ด, ดนั่นแหละดามืดบวนตั้งแต่เราทําเด็กๆแล้วนะพามันมาสี่วันวันที่สี่เอาเรื่องเลยขับรถไปส่งลูก รีบไปก็ต้องรีบกลับเข้าร้านเนี่ยไหมไปก็ไปเร็วเลยเพราะรีบกลับหน้าอุทยานสวรรคหนองสมบุรณเส้นสายเอเชียอะไรไปแดงใหญ่หมามันวิ่งทะแยงมาทางวิ่งมาแล้วก็วิ่งตรงไปวิ่งไปเร็วแล้วหมาพอมันมาถึงตรงนั้นนะ่ะมันหันข้างให้รถเลยกลางลําตัวเลยเบรกก็ไม่ได้เพราะเร็วล้อหน้าผ่านล้อหลังผ่าน หมาไปไหนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยลูกก็เกาะเอวแล้วก็ห้อยลงห้อยลงห้อยลงเบรกก็เบรกเบรกมันแรงมันเร็วมากมันเบรกไม่อยู่ก็ห้อยลงกิ่งตามโอโหตายพ่อได้บวดแล้วตอนนั้นนะขนาดขับรถอยู่นั้นพ่อบวดตลอดชีวิตพ่อบวดให้ลูกคือมั่นใจว่าตายพอจะหยุดรถได้พอหยุดรถได้ก็วิ่งกลับมาอุ้มหมอลูกออกข้างถนน แล้วก็ใส่รถมาแล้วก็ล่องออกมาพอมาถึงตรงที่ชนหมาหมาไม่ได้ไปไหนอะไรขาดที่เลยตตัวใหญ่มา้แล้วข้ในอย่างเนี้ยมันมาบนเนี่ยกรรมไม่ได้รอตรงเลยทีนี้ไอ้โดนปันเนี่ยจัดร้านอยู่หกวงอ่า ต่คนเมามาหรือคนจอนไม่เคยเห็นหน้ามาถือเหล็กชากยาวประมาณเม็ดกว่ากว่าหน่อยนึงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในถนนนั่นแหละแล้วมาขอน้ำกินพ อ, อน้าให้เท่านั้นแหละพอส่งน้ำแล้วพอเห็นตาเท่านั้นแหละแล้วเขาเห็นแววตาเขาแล้วเ้าก็เดินไปแล้วเราก็ทำงานพอเขาเดินไปแล้วตาเราก็เห็นน่องเขาพอเห็นน่องเขามันตึกออกมาปั๊บไอ้นี่หละมันจะมาทวงกรรมเก่าแต่ชาติที่แล้ว ระวังให้ดีนะมึงอา้ามีอย่างนี้ด้วยแหละโอ้ยวันนี้กูไม่ยุ่งหรือไงตั้งใจขายของอย่างดีเลยวันที่สิบหกธันวาพีสี่หกตั้งใจขายของไม่ไปแล้วเขาก็ว่าโอ้ยแจ้งตำรวจมาเอาไปเให้อะไร เ, เออแล้วก็ไล่วอลบอกศูนย์ไปศูนย์ก็คงแจ้งตำรวจแจ้งอะไรกันเราเขาขายของดีแล้วก็มัวขายของไปอยู่เขาก็ตามจับคืนไล่ออกไปข้างนอกอย่เรื่อยตั้งแต่หอค่ำ เที่ยงคืนครึ่งคนเยอะทุกหน่วยรอทั้งตำรวจทั้งกู่ภัยลุมจับมันคนเดียวนะ <c oughs> ถือมีดร้านค้าร้านนั้นเงนั่นล้ร้านนั้นร้าน น, นี้ไล่ต้อนไปต้อนมานั่นแหละทีนี้พอคนเยอะๆเลยเขากำลังจะสร้างบิ๊กซีใหม่เขาทำถนนไปแล้วมีไม้อยู่ขาปากเป็นท่อนๆอยู่ ทีนี้คนเยอนแล้วเออไปดูซะหน่อยนะคนเยอะแล้ ว, ออ ไ, นะลวไม่เป็นไรไปดูซะหน่อยนะพอไปดูเท่านั้นแหละตำรวจขีมอไซค์จอดคึกตำรวจถึงเสาไม้อยู่ขาขึ้นมาปับ๊บใจเืออดีสักตน้นเผื่อมันหลุดมาปองปองปองหลุดจริงๆรตึกเท่านั้นแหละปืนดังเลยมันไปติดที่หอนาฬิกาเข า, เอาไอ้เลย ก, กั้นถนนกวาดไปแล้วไปติดที่นี้มันเลยฟันย้อนมาดาบนั้นเพราะว่าเขาล้อมแล้วเขา แล้วเขาไอ้ส่งดาบให้กันนี่ท่าไหนไม่รู้ฝ้างไปส่งดาบแล้วไอ้นี่มันคว้าได้ดาบย่างยาวเลยทีเนี้ยได้ก็เขาก็กันไปนั่นแหละพอปืนดังแล้วนั้นแหละพอปืนดังมันตกใจเต็มที่มันก็อัดเต็มที่เลยทีเนี้ยคนก็แตกไว้ฝั่งทางกองเจ้าหน้าที่แตกไปฝั่งทางโน้นฝั่งนี้ก็มีนิดนึงแตกไปสองข้างแล้วมันก็เดินอยู่เกาะกลางแล้วก็กลับเข้ามามีไม้อยู่ขาแล้วเอ๊ะจะเป็นหลบอยู่เสาหรือไม่ คือภาพนั้นน่ะมันเกิดขึ้นว่ามันฟันคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวเละหมดเลยคือมันเห็นเป็นช่องอาถ้าเป็นอย่างนี้มันเข้ามานี่มันพลังแหลกเลยคนไม่รู้หนอยเนี่อย่างเงี้ยนะจอดรถปุ๊บโดนอะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่ก็ภาพมันเกิดมาอย่างเงี้ยนี่เสาไม่ดีนะมเสาไฟฟ้าใหญ่ๆนะเพื่ออไปรอตรงมุมโค้งว่าเราเนี่ยจะตีมันแค่ตีมือมันให้ดาบหลุดเท่านั้นแหละ ไม่ให้ถูกตัวมันเลยนี่ก็พอมันเห็นเท่านั้นแหละคืล้ายๆว่ามันเห็นเราให้มันไปทางโน้นทางสะพานเดชานี่ยจะได้ไม่ตักเข้ามาเพราะเราเคยให้น้ํามันอยู่เนี่ใจนะพอมันเห็นเท่านั้นมันวิ่งใส่แล้วมันวิ่งลงเดินมาเลยจากไฟแดงวิ่งมาเลยบึ้มบึ้มบึ้มตายตายไปเนี่ยก็เลยเอ่ยยืนรอมันก่อนรอให้มันมาใกล้ๆพอมันมาใกล้ๆแล้วจะหมุนตัวแล้วก็ตีดาบเย่างนี้ ตีดามให้มันหล่นนะฮะรอมันมาใกล้ๆอย่างเงี้ยแหละตอนมาใกล้ๆเราก็หมุนตัวเลยพอหมุนตัวปุ๊บรองเท้าคอมแบตมันถูไอ้ก้อนกรวดไอ้ข้างถนนดินถนนนี่แยงหน่อยไหมมันไม่เกาะมันก็ลื่นไงทองเลยนอนรอมันฝันนี่เนี่ยมันยืนอยู่ปลายเท้ายืนอยู่ปลายเท้าเลยสับเลยดาวก็ยังยาวสับสับมันมึนแล้วนี่ลงไปมึนแล้วสับปุ๊บ S <S <IL EN C IO> เสียงมันเน้นสับแล้วก็เน้นอื้อมันสับอีกทีก็อื้ออีกทีปัดสับครั้งที่สามปัดโดนดาบมันหล่นแต่อันนี้มันรู้มันโดนตอนไหนพอมันหล่นไปแล้วพ อ, อ, อลุกขึ้นมาโอ้คนวิทย์วิทย์เขายืนอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยมันเห็นกลางตัวอะไรเงี้ยมผ่าแสกหน้าทั้งตัวเลยพอลุกขึ้นมาเดี๋โอ้หลวงปูเตียนหลวงพ่อมหาลอยเป็นเป็นอะไรเป็นครงไฟต่อกันมาเป็นแถวเลย <IL EN C IO> ครูบาอาจารย์ใสไปหมดเลยลอดตาย ทนี้รกระลุกมักระลุกขึ้นมาอ้าวมันตกมัปกอยู่ข้อมือนี่ทั้งหนังทั้งเนื้ออ้าวโดนฟันเลยเนี่ยจับเอามือตลบมาปิดไว้แล้วก็เดินไปเดินไปเขาก็ซ้อมกันตุ้มเต้าตุต้ตตอยู่ตรงข้ามรถขึ่ยวเราถึงเนี่ยเพราะมันวิ่งไปอยู่ตรงนั้ น, นแล้วก็ไปบอกเออเดี๋ยวพ่อไปทําแผลก่อนนะเดี๋ยวมาไม่รู้วเอ็นขา ด, ดนะอยู่พ่อไปทําแผลก่อนเดี๋ยวมายังยังมาขายวเตี๋วได้นะฟันโดนฟันขนาดนั้น ไปบอกบอกที่ร้างก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาตบหลังในพวกทีมซ้อมมันทุกเต้าุกเต้ามเฮ้ยพาก็ไปโรงพยาบาลก่อนอยรดไปโรงพยาบาลบอกให้เข้าล้มแพทย์ที่บาดอยู่ตรงนี้ไม่เอาไปสวรสด์ปรชารักแย่งเดียวอาเขาไปไปแล้วนั่งรถไปแล้วมันตกยกไม่ขึ้นแล้ทีนี้พอไปรอทําแผลเขาก็เอามันไปโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วมันไปนั่งอยู่โรงพยาบาล และไอ้ความโกรธความอาฆาตมันหายไปไหนนะมันเกลี้ยงมีแต่มันมีแต่สงสารเขาแล้วมันเลียนไปหมดเนี่ยเอ้าใจอย่างนี้ก็มีเดียเลยเนี่ยโอ้ถ้ามันใจอย่างนี้นะมันสบายามันไม่มีโกรธเลยเนะี่ยไปเห็นความไม่มีโกรธ ต, ตอนนั้นนะที่โรงพยาบาลนะชัดมากอ่าโทรคุยกับหลวงพ่อโอ้ยคนไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญายังไงเนะ้องก็เรื่องราวมันเป็นมากขนาดนี้มันหนีกรรมไม่พ้นเรากันเด็กนะพอเราปฏิบัติมามากเข้าเราอยู่นอกความคิดเราออกจากความคิดได้โอ้จริงอย่างหลวงพ่อนี่เราเข้าไปติดในภาพมันแล้วก็ตามภาพไปตามภาพไปก็เลยหนีกรรมไม่พ้นโตเรื่องๆทามากๆแล้วจะออกมาจากความคิดทําอะไรก็จะรู้สึกตัว ผลทั้งหลายเขาว่าวิ่งไปหาคมมีดเราก็วิ่งไปในภาพที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันบอกที่มันตึกอะไเนี้ยเพราะงั้นภาพที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราตามไปก็อเสร็จกรรมอะไรอย่างนี้แล้วก็น่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้รับอุปัติเหตุหลายอย่างอย่างอย่างเขาชนป้ายงานตุจจีน เขาปิดขาวเงียบหละตู้จีนใหญ่ป้ายเหล็กร้านเราก็อยู่ตรงนั้นกลมหัวอยู่เสียงเอ๊กเอ๊ะเอ๊ะอมคร่ใส่เลยทั้งร้านเลยขายดีจัดวิ่งไปซื้อเส้นมาเพิ่มโยมผู้หญิงถ้าไม่ไปซื้อเส้นมาเพิ่มยืนล้างจานอยู่นั้นตายไม่ได้มาปฏิบัติเราตายผู้ประสบเหตุใหญ่ๆทั้งนั้นนะแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความอึมครึมในจิตมันมัวซัวเหมือนเราเจอความง่วงแล้วออกจากความง่วงไม่ได้เลยมันมัวมัวก่อนเกิดเหตุนะแล้วมันมีการบอกมันอึมครึมอยู่เฮ้ยวันวันนี้นะมึงรีบจัดร้านให้เสร็จเลยแล้วไปเอาสมเด็จเล็กๆขึ้นคอให้ด่วนเลย เราปฏิบัติสมวมเทียนก็ไม่อย่างชุ่มเรื่องนี้ใช่ไหมแต่พอได้มาแล้วก็ใส่ถุงแขวนไว้น่ะเราไม่ได้แขวนคอใส่ถุงแขวนรถนั่นแหละเราก็ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องอันนี้เท่าไหร่แต่มีไว้อย่างนั้นแล้วามันเน้นเรื่องความรู้สึกตัวมากกว่าพระที่แขวนไว้หน้ารถบางทีก็บังด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีก็เอาออกบางทีก็เอาไว้เงี้ยนะยินดีก็รีบรี บ, รบจัดร้านแล้วก็รีบไปขึ้นห้างไปแล้วก็เขาก็มีกรอบเก่า ล, ล้างเขาจะติดแล้วก็สายลมใส่ใสเลยจะจัดร้านเสร็จเลยนะจัดล้านห้าโมงเนี้ยนะพอไปปุ๊บหกโมงใส่ก็มาขายขายของอยู่เพราะว่างก็ามานั่งดูมอเตอร์จักรอยูแ่แกะดูอยู่ก้มหัวเอ๊ะเอ๊เอตรมครมมาเลฮกล่าวมาหมดเลยหมุนตัวได้วิ่งออกมาท่อวิซีที่เขาทำเสายาวสอบ มันแตกแล้วแหลมเจี๊ยะอะไรเสียบผ่านเข้ามาตรงรดเข็นมือจํารถเข็นที่เรานั่งก้มหัวเยอะนะมีหลานคนเดงอยู่ตรงหนาง้าวิ่งแล้วรถมันชนแล้วมันอัดอัดเสาลากเข้ามาใส่ได้เงี้ยวงปรากฏว่าเขาเขาไม่จ่ายค่าเสียหายอะไรให้เลยแม่คยกัโทรคุยแค่ใหญ่คุณนี่ใหญ่คุณหน่อยครับ ไม่ต้องเอาอะไรเขาสักบาทเลย ไ, ไป่นีมันไปโยมีคุณไม่เอาอะไรสักบาทกนะ็ <c oughs> ไม่เอากนะ็โล่งเลยหลุดแล้วแต่เขาจะทำยังไงกันไปไม่เอาอะไรไอเหตุการณ์ที่มันเกิดอย่างนี้มันมีมากแล้วก็เดินอยู่เนี่ยไอที่รู้สมมุติบัญญัตินี่ก็อยู่ที่บ้านนะไม่ได้อยู่ที่ปฏิบัตินะ ขายของนี่ที่เรารู้สึกตัวตลอดเวลาว่างก็นั่งยกมือหรือหลับตาทำขณิกาสมาธิแบบลุงปู่ลูซีนิ่งดำบ้างรองเข้ามาสั่งของก็ลุกไปปับ๊บนะเนี่ยนะแค่สมาธิแค่หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเงี้ยนะเดดพักก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นรู้อย่างสมมุติบันยาดก็ตอนตอนนั่งอยู่ แล้วมองอะไรตายตึกมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมตึกปูนทีนี้ชื่อมันต่างกันอุปกรณ์เคหะสอเสนียนตนสยนต์เดชาวัฒนพรโมจิจันสวรรมอจิอย่างเงี้ยนะเอ้ามองไปมองมาตาเราไม่ได้มองหรอกแต่จิตมันไปสำรวจของมันเองอ๋อมันสมมติบัรญัติถ้ามันไม่สมมุติอย่างนี้มันมันไม่แหละมันต้องสมมุติอย่างนี้แหละมนเหมือนกันหมดเนะ แต่ก็ถึกเหมือนกันใส่ชื่อใหม่อย่างเงี้ยนะพอสมมติมันพอรู้ว่าสมมติมัญญยัดทั้งโลกเลยไม่รู้อเมริกาไม่รู้แต่ว่ามันรู้ว่าทั้งโลกอเมริกาอยู่ ก, ก็มันก็วาบขึ้นมาหมดนนแหละวาบขึ้นมาว่านั่นแนหะสมมติบัญญยัดอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอาการลักษณะอย่างนี้แล้วก็มันมีคําถามว่าเกิดมาทําไมแล้วชีวิตที่จะสิ้นจบที่ตรงไหนหลวงพ่เทียนก็พูดไว้แต่ไม่ได้คําตอบ แต่ทีนี้พอเรามีคําถามแล้วมันไม่มีคําตอบให้นานมากไม่ไม่เจอคําตอบหรอกแต่ว่าเคลื่อนไหวไปกับการทํางานเนี่ยอ ย, อยู่มันปั๊บขึ้นมาเกิดมาเพื่อพัฒนาให้ตัวเองพ้นทุกข์เนี่ยเกิดมาทําไมแล้วจะไปสิ้นจบที่ตรงไหนเนี่ยมันเห็นเป็นตลอดสายเหมือนฟ้าผ่าฟ้าแลบออกมาเนเห็นตลอดสายแล้วในส่วนร่างกายมันจะไปจบยังไงเนี่ยนะ ใ, ใจนี่ เกิดพิดมาเพื่อพัฒนาให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วมันจะไปสิ้นจบที่ตรงไหนล่ะมันสิ้นสิ้นจบได้ตอนหมดเชืออ้อหยาบในส่วนของใจนะโอ้โแล้วเกิดมาแล้วมาหลงทรัพย์สมบัติหลงหาเงินนะทองหลงกามอารมณ์หล ง, ลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันติดอยู่งเงี้ยนะมันมีโอกาสที่พัฒนาให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ไปจากการเดินว่ไหวใจเกิดได้เงี้ย น, นะเนียนเป็นสายก็มั่นใจขึ้น มันใจขึ้นแล้วกใกล้ๆจะออกบวชเนี่ยมันมีอาการสัมผัสได้ว่ามันมีมือขวาามาข้างนึง่งกาลังเดินค้าขายนั่นแหละเสิด์ฟก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมาช้อนะ้าที่คอเนี่ยจะกระชากถอยหลังว่าบวชบุญแล้วแต่มันคว้าไม่ติดมันรู้ว่าเอ้าบวชบุญแล้วเนี่ยแล้วมันมันมีแต่ออกบวชอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะเพิ่มบุญได้ อา้าเราก็ปฏิบัติทำปมาณทานเราก็ทำทำไมบวชบุญแล้วเออคิดนะถ้ามีแต่บวชอย่างเดียวก็เริ่มมั่นใจที่จะบวชเลยเพราะว่ามันเตรียมแล้วไงเตรียมพื้ที่สร้างอะไรเงี้ยตรงโน้นก็พระอาจารย์สมพงษ์ดูแลงานก่อสร้างเราก็มีแต่เอาตั้งมาทําอย่างเดียวเพื่อที่จะเก็บตัวชีวิตที่เหลือนั่นแหละหรือก็ออกไปบ้าน เขีบอกโยมที่มาด้วยเนี่ยจะได้ร่วมทําบุญช่วยสร้างให้เรามันตรงว่าหลวงพ่อผมจะสร้างคนเดียวอะไรผจะเก็บตัวสักชาติหนึ่งเราตรงก็ได้มาอยู่เพราะเอาบวชจริงๆก็เป็นบวชที่วัดแพร่แสงเทียนนะเกิดก็เกิดที่แพร่แสงเทียนเดินทําความรู้สึกตัวไปมาแค่สามวันในก็สัมผัสแล้วว่าร่างกายกับใจของคนละอันกันความคิด อารมณ์อย่างนี้ก็คนละอันแต่มันผสมกันแล้วมันก็ทำให้รูปเราไปทำตามที่ต้องการในอารมณ์ฝ่ายต่างๆนะพอพัฒนาขึ้นก็รู้สึ ก, กว่าดีขึ้นค้าขายก็ดีขึ้นรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นทีนี้ก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่แบบนั่ง อ, อยู่วันๆ น, น, นึงดูต้นไม้ต้นป่าเตีงลังที่ผ่านมานั่นแหละวันๆก็ไม่มีอะไร อ่าทําวัดปฏิบัติเดินไปเดินมาก็รู้สึกไม่ได้เน้นมากเพราะว่ามีก้อนหินเราต้องรู้สึกตลอดไม่งั้นมันจะลื่นล้มก้อนหินก้อนกลมๆนันเยอะเดินก็รู้สึกแล้วทีนี้สภาวะที่มันมันทําให้เรามั่นใจว่าถ้าหากพระพุทธเจ้าย้อนกลับมาบอกว่าเออโหมัตสัลรู้ผิดนะที่บอกไวนะ้น่ะสอนผิดเลยก็ไม่เชื่อ เพราะมันเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์แล้วเห็นวิธีดับทุกข์แล้วเห็นทุกข์มันลดแล้วก็อยู่กับความว่างที่มันไม่วันเดือนปีไม่ปรากฏอย่างที่สวดไปเมื่อกี้รู้สึ ก, กับการหายอุ จ, จละระปัสสาว ะ, ะมไม่ยามแลวนะแต่ว่ามันเป็นจริงๆลักษณะที่เรารู้สึกตัวตัวพร้อมบ่อยๆเนี่ยเพราะ ช่วงที่เราจะไปถ่ายนักข่ายเบาเราไม่ได้กำหนดความรู้สึกตัวมันเป็นอัตโนมัติมาแล้วมันก็รู้สึกตัวชัดในวินาทีเดียวกันนะรู้สึกตัวชัดรู้สึกใจชัดแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวก็ชัดแล้วมันไม่มีอะไรปรุงแต่งอย่างเงี้ยนะมันเป็นความว่างที่กินเวลาออกไปแล้วสภาวะที่ตึกนึกก็เริ่มเข้ามาสภาวะที่รู้ตัวโดยเจตนารู้ก็เข้ามาอย่เงี้ยนะ ก็อยู่กับความว่างอยู่กับความว่างที่เอาอันนี้อีกเรื่องนึงจะได้ลงเดี๋ยวจะใช้เวลาเกินเพราะว่าประสบการณ์มันค่อนข้างเยอะเพราะเราทำมาตั้งสิบหกปีแล้วและก็พูดนี่ก็เป็นพูดพูดครั้งแรกเ น, น, นี่ <laughs> นะนี่พูดครั้งแรกเนีในงานนพูดครั้งแรก ปกติก็ไม่ได้พูดเล่าประสบการณ์สไตล์นี้หรบปกติก็พูดเรื่องอารมณ์ปฏิบัติทั่วไปกับโยมที่ปฏิบัติทีนี้เล่าย้อนหลังไปอพอบวชเสร็จเนาะพ่อถามอาจารย์คงกิตว่าจะยาวนะหลวงพ่อดูทาง <c oughs> ถ้าอาจารย์คงกิตว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ได้เก็บได้เข้าค่ายเก็บอารมณ์กันไหมผมไม่ได้ทำนานแล้วนะ เดืหลวงพ่อก็ไม่อยู่พบวรแล้วท่านก็จัดให้มีการเข้าค่ายให้ก็เข้าค่ายเขาค่ายเดือนหนึ่งเดือนมิถุ น, นาพอพอพอเดือนก ร, รกฎาก็มาเข้าอบรมพระธรรมวินัยที่พระาธาตุหนองจำมืนครูเขียวเนี่ยนะวันที่สิบสองมาวันที่ยี่สิบกบรมมนดแต่ละมาก่อนลงมาหานลวงพ่อที่ระธรรม วันที่สิบเก้ามาที่ยี่สิบตอนเช้าฉันเขาต้มแล้วก็พระอาจารย์สมพงศ์พาพระเที่ยวท้ำขึ้นอาตมาก็เป็นคนนึ่งที่ขึ้นทีนี้ก็ขึ้นไปก็ไปมันสัน่นเพราะปะกติก็เคยขึ้นอยู่ไปกับพระอาจารย์เนียโยมแม่บ้านลูกสาวโยมป้าขึ้นไปเก็บอารมณ์ข้างบนเขาในหงหากันอยู่เมื่อก่อนเลยนะเราคิดว่ามันเป็นอะไรทีนี้มาเที่ยวนี้มันขึ้นแล้วมัน ปวดฉีแล้วแวะฉีอ้าวเขปัสวะสิเข้าไปกันแล้วแล้วก็ตามตามไปอีกฮึดหึดหึดหึดแล้วก็หยุดเขาก็หยุดพอเราไปถึงเขาเขาก็ไปต่อกล <c oughs> <c oughs> ุ่มหมู่พระทั้งอาจารย์องค์ติดอาจารย์สมพงษ์ทั้งอ า, าองจอารนันนะ่รใครลตะใครไปกันอย่างเงี้นะ่ะตามไปอย่างงี้ทีนี้ก็ทิ้งบปละทีนะ่ะแล้วก็หึดตามหึดนึ ด, ด, ดไปเรื่อยนี้ใจมันเต้นเต้นเต้นเต้นเต้น เต้นจนอย่างตายออกจนมันไม่เต้นนั่นแหละนั่งอยู่ก้อนหินเด้วมันก็มีอาการคอตกลงมาเพราะมันสั่นเทาแล้วนี่ทั้งเท้าทั้งมือนี่ยุงก็จับเตมแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วสั่นอยู่อย่างนี่แหลมันเหมือนมันหมดแล้วเหลืองไปหมดแล้วแล้วมันก็ไม่เต้นมันไม่เต้นแล้วคอมันก็พับมึงเอ๋ยได้ดูสมเด็จโตในหนังอนะเรียกว่าเวลาตอนมโนภาพทีคอตกเนี่นะ เราก็เลยยกคอไว้หล่นลงไปครั้งสองก็ยกไว้ครั้งสามก็ยกไว้ทีนี้มันไม่ลงใน ต, ตอนนั้นน่ะพอมันรู้สึกตัวแบบแบบลักษณะที่มันหมดแล้วมันยอมกับยอมรับกับความตายแล้วทีนี้มันในขันนี้หนึ่งมันนั่งอยู่แล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยถือว่าเวทนามันมีอยู่ความเหงาความว้าวแต่ว่าเรือนว่าอ่านหนังสือธรร ม, มะมาเยอะ ดูวิธีการตายอันเรื่องตายก็อ่านมาแล้วไอ้ที่เรารู้ธรรมะเนะี่ยมาช่วยเป็นเกาะแก้วห่อหุ้มจิตที่มันไม่มีกําลังนะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ทุกข์ตีเลยวนะทีนี้พอมันออกไปแล้วเนี่ยโอโ้มาเห็นสภาพแบบนี้มันไวนะอาการจริงเอาไว้แต่มาเล่าเนี่ยช้ามันมีกลมๆกับหนาดบอนเหมือนบอ่อน้นะําเนี่ยความว่างเปล่าว่วางเปล่า ถ้าเข้าไปตรงนั้นปั๊บคือหมดเชื้อหมดเชื้อเลยเพราะมันวางแล้วมันวางก็หมดเชื้อไม่ต้องกลับมาเกิดได้โอ้ยแล้วเราก็ทําที่ปฏิบัติไว้แล้วแล้วทํายังไงจะทิ้งลูกทิ้งแม่บ้านไปแล้วใครปฏิบัติเพื่อนเพื่อะไอ้ที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยจะกลับไปบอกเขาได้ยังไง แล้วจะแทนคุณหลวงพ่อเทียนได้ไงแทนคุณพระพุทธเจ้าได้ไงที่สะสมปฏิบัติมาเนี่ยรู้วิธีที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยจะแทนคุณหลวงพ่อมหาได้ไงเนี่ยอา้าวมือเริ่มดินดมด้นได้เดินดิ้นได้เลือดเริ่มมาอา้าวขยับได้อา้าวไม่ตายเลอเนี่ยเพราะยางตายมันก็ออกพุจจาระมันก็แตกแต่ว่ามีสติเข้าไปล็อกถาวรไม่ให้เปิดมันก็เลยไม่แตกออกมาข้างนอก โอ้าเหลืองไปหมดเลยเดินลงเขามาเลื่อนสองครั้งไม่ล้มใจนี่ปูสมายเดินมามาถึงหลวงพ่อครับเป็นเล่าเหตุการณ์อย่างนี้แหละให้หลวงพ่อฟัหลวงพ่อบอกเฮ้วยดีหลวงพ่อวยดีก็เลยไปอานน้ำแต่ตอนที่ลงมานะเดินออกจากจุดนั้นมาประมาณสักยี่สิบเมตรเนี่ยไปปล่อยที่มันล่นในออกมาเนี่เขามันชันก็ไปโหน จี้วอนพันคอไปโหนพุ่งออกมาโอ้เบาวิวเลยที่มันแตกนั่นแหละถ่ายลอกแล้วลงมาบอกหลวงพ่อแล้วก็ไปส่งน้ำห้องน้ำที่ไ ะ, ะเศอยางตายที่มันหนอกมันเหนียวไหล ย, ย้อยอยู่ปากกัะพื้นยืนยื น, ยนไหลออกเขาบอกยางตายตกไหนที่พูดให้ฟังตรงนี้มัน มันมีเพราะเราต้องตายทีนี้จะทํำยังไงถ้าไม่ทําความรู้สึกตัวถ้าไม่รู้ธรรมะถ้าไม่รู้จักว่าเออร่างกายนี้เป็นธาตุสี่จริงๆนะแต่ธาตุสี่ธาตุหกธาตุสิบแปดก็แล้วแต่ละให้รู้จริงๆเห็นจริงๆไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังนะให้จิตมันรับรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นจริงๆรู้ชัดแจ้งในขันห้าจริงๆว่ามันเป็นขันห้ารู้เท่าทันภาษาที่มันเกิดทางยศนณะทั้งสิบสองเนี่ยนะ เนี่นะถ้ามันรู้ตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันถึงจะมีอารมณ์ที่อารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งอยู่บ่อยๆแล้วก็ความว่างที่เราไม่มีเจตนากําหนดรู้ก็ปรากฏพัก เ, เหมือนเหมือนวันเดือนปีไม่มีเลย ไ, ไม่มีอดีตอนาคตเือน ว, ว่างมันก็สบายดีในส่วนนั้นพอบวนแล้วให้ให้ให้จับจุดนิดนึงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทําไม หลวงว่ามาหาไปสอบอารมณ์พอบวชแล้วก็ถามว่าอาจารย์มีถามว่าอาจารย์ของจิดมีไหมที่เก็บอารมณ์สามเดือนรวดนะไม่มีนะที่เราทํากันแค่เจ็ดวันสิบวันสิห้าวั น, น, นนะเต็มที่คือเดือนนงท่านบวชเอาไว้ในใจนะพ อ, อลงบอบวชสดวันจะเข้าพรรษาเอาใครนี่อะไรบ้างใครจะเก็บอารมณ์ด้วยใครจะทําหน้าที่อะไรบ้างมาคุยกัน ท่านรู้แล้วว่าอยากให้เราเก็บเอาถ้าใครรับหน้าที่ว่าให้ตันเข็มพรวไหนๆก็เป็นพวกค้านี่ออกมาทั้งทีแล้วก็เขาก็ให้เต็มที่เพราะว่าในเต็มที่ก็สามเดือนเดินเดินไปเดินมาเดินจนประสาะไหลเป็นทางนะจงกมรมซับไปด้วย ไม่รู้นมาอ ย, ย่างไงเดินหลวงพ่อไปสอบอารมณ์จำจุดนิดหนึง่งเข็มคนนะไม่ใช่ว่าจะบวชมานานหลายพรรษาจะปฏิบัติมากี่ปีไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่ารู้สึกกับการเคลื่อนไหวชัดไหมชั้นธรรมดาแค่นี้เองนั่งหลังงออยู่นี้ตอลอด ปฏิบัติธรรมก็นอนสู้นี่เลยมาชัดธรรมดาครับรู้สึกกายชัดธรรมดานีนั่งหลังงอบอกพระอาจารย์บอกให้ตรงไหนก็ตรงไม่ได้โยมพี่กุลมาอโยมเคยทํานะสายสมาธิเขาว่าถ้านั่งแอ่นอย่างเงี้ยนะยืดตัวตรงๆอย่างเงี้นะเนี่โยมทำมาสามชั่วโมงนั่งอย่างเงี้ยสามชั่วโมงไว้ แล้วก็ไม่เปลี่ยนท่านะนั่งล็อกไว้แล้วทำบ่อยๆมันจะเป็นเสาหินแข็งเลยตั้งตัวตรงได้เลยอย่างเนี้ยนะโยมให้คุณมาเดินบอกอยู่ข้างล่างพอโยมที่คุณเดินไปแล้วผู้หญิงนั่งเลยสามชั่วโมงไม่เราเอาสี่ชั่วโมงเลยอ้าวเริ่มอะไ เ, เลยนะียอะไรเนี่ยแว่นก็ต้องถอดถอดออกเดี๋ยวมันจะฟุบใส่ เคียโดยรอบแล้วนะสี่ชั่วโมงรูดเลยแอนไว้โอ้โหปวดที่สุดเลยสี่ชั่วโมง <laughs> ยืดไม่ด้วยใช่พอทําได้แล้วทีนี้มันทําได้ไบ่อยๆนั่งก็อยู่เหนือเวทนาทางกายได้ดีไหมนั่ง น, น, นานๆนะอยู่เหนือเวทนาทางกายพยายามทําอย่างเงี้ยมันมีผลไม่ยกมือมันก็เป็นสมาธิรู้สึกด้วยรู้สึกตัวด้วยเพราะมันตั้งอยู่เนี้ยนะลองไปทําดู พ็งานกระทิ้นวันที่สองวิจีกาเขาไม่ได้ไปที่วัดหลวงพ่อเพราะมีกิจนิมนต์ที่ที่กำแพงเพชรหลานเขาขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่คิดว่าจะเดินตามรอยหลวงพ่เทียนขนาดนั้นเขาจะมีมนต์พระเอาเห็นสีดำๆเขาก็จะไปมนสีดำๆมาด้วยกัน บอกลหลวงนาเป็นมหานิกายนะไม่จะรรทำมณุษย์หรอกถ้านนิมนตรร์ทำมณุษย์ก็นิมนต์ทำมยุษย์เถอะเขาคงไม่เอาลงนาไปร่วมหรอกเออมณฑวิธีเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดียวก็สมนแปลนี่แหละมีทั้งแปลมีทั้งไม่แปลพาเตรียมแล้วฉโนก็รอทําวัดเช้าเย็นทําวัดเย็นทําวัดเช้า พาปฏิบัติโคนมาเตมอะไรเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนบ้านนั้นด้วยนจากตัดผ้าจากเมาจากอะไรเนี่ยนะก็เลยพาเขาทําในส่วนนี้ทีนี้ก็ทางาวาอวตารทางอะไรเขาก็มาร่วมด้วยม า, มาปฏิบัติด้วยเขาก็เลยก็ให้หนังสือหลวงพ่อมาหาไปแล้วให้หนังสือส่วนมนเพราะว่าเขาอยากได้เขาไปรวมหมู่บ้านสินห้าแล้วเขาก็จะพากันทําพอให้เขาไว้ปุ๊บเขาก็ไปทํา ตัดเสื้อผ้ากันเลยเริ่มวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาเขาก็เริ่มก็ใช้หนังสือนี่แหละส่วนมนที่เรามีกันนี่แหละันนั้นก็ในส่วนที่ไปทําวันที่สามกับวันที่สี่กลับมาอยู่ตรงนี้นี้พระอาจารย์ก็บอกให้ไปให้เดินเป็นเพื่อนโยมหน่อยก็เลยเข้ามาออกจากป่าติงลังมามาเดินเป็นเพื่อนโยมเส้นทางอันนี้น่าเดินอย่างยิ่งรู้สึกตัวชัดธรรมดานั่นแหละ หลวงพอท่านให้ข้อมูลเยอะแล้วจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ก็หลากหลายมันเยอะอยู่เรื่องราวทางนี้นะก็ขอหยุดเล่าไว้แค่นี้เพราะใช้เวลาเยอะแล้วมันก็แอปนะก็อนุโมทนานะอนุโนาสาธุการในจิตที่เป็นบุญกุศลไปในคุณงามความดีได้สร้างสติปัญญาสร้างยานทศนะ สร้างยานวิมุติ์ให้เกิดขึ้นในจิตในใจของญาติโยมทุกคนก็ให้เอาจังเนินทุกนี้จะได้ของดีไปใช้สาธุ จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ยากอ่ะก็คื อ, คอชีวิตจริงๆิดิบๆิบเนื่อยใช่ไหมไม่ใชเป็นคนวิเศษวิโสอะไรแต่ว่าเราทำจริงแะนั้นเองชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไ ป, ป, น, ไปนั้นในพระศาสนาเนี่ยมีที่คุณสมบัติทั้งประการที่กล่าวว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้อง ไปเรื่อยๆว่าจะเป็นพ่อค้าว่านิชเป็นข้าราชการทหารตำรวจเป็นแล้วก็ตามแต่รักษาคุณสมบัติมเสียจริงจังตั้งใจเต่เนื่องถูกต้องไปเรื่อยๆทั้ง ท, ง ท, งทงางโลกทางธรรมมาทางธรรมก็มาศัยคุณสมบัติอันนี้อยู่ทั้งโลกอาศัยสมบัตินี่ยแล้วก็อยู่ได้นั่นแล้จะเห็นว่าขันถิมเป็นคนที่มีความตั้งใจเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการดําหาชกินก็ไม่เท้ะ นั่นเองชีวิตของท่านของเราไม่ได้ต่างกันในะ น, นแง่การใช้ชีวิตเราดูเหมือนจะถ้านจะรอดผลมากกว่าเราด้วยนะบางคนที่ชีวิตทีส่สบายดังนั้นกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีมากถ้าหากว่าเอาตัวสติเข้าไปมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนคุณภาพเป็นคุณภาพจากกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเรื่อยๆนั่นจะเอาความรู้สึกตัวชัดๆที่ท่านว่าน นในศติปัฏฐานสูตรและสวดพันตัวพะเามิติลงประชานตินั่นแนหะเขาบอกประชานติให้รู้สึกตัวชัดๆนี่เขาถ้าไปหมดสัมปญัญชั ก, ก็สัมปัญชานากาเลอมุติให้รู้สึกตัวทั่วๆมีสองคำเนี่ยตัวสติเขานั้นนะ่ะรู้สึกระลึกได้แต่พอมาใช้กับภาคปฏิบัติมารู้สึกตัวชัดๆรู้สึกตัวทั่วๆ ถ้าในแง่ของกายนะถ้าในแง่ของจิตท่านใช้คำว่ า, าสรรกายยาเป็นสร้างเวทีอาศัสสรรีสัมิติสิกขินั่ใช่ว่าสิกขิถ้าในแง่ของจิตในแง่ของนามธรรมท่านใช้คำว่าให้ศึกษาในแง่ของรูกธรรม ท, ท่านให้รู้สึกตัวทั่วพรอมชัดชัดเจาะมันสองคำนี้ไว้เลยนะแง่ของที่เป็นลูกเวทนาเนี่ยให้รู้ทั่วๆรู้ชัดชัด มันเจ็บมันปวดมันสบายม่นสบายก็ให้รู้ให้รู้ชัดๆเฉยๆเนี่ยคืมไม่ต้องคิดว่าคุณรู้ฉันรู้อ่าไม่เดองไปคิดว่าใครรู้ไม่เด้งมีผมมีคุณมีฉันมีนๆๆมนของผมมองฉันเอารู้รู้ชัดๆรู้พร้อมๆเนี่ยเวลานั่งปวดนั่งหลายๆชั่วโมงเอมาเข้าไปนั่งบนท่าของบนเนี่ยตั้งแต่สิบโมงเช้าไปถึงห้าโมงเย็นน่ย ขยับอยู่แค่นี้ถ้าขยับไปเต็มที่ข ย, ขยับแค่นี้บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะต้องดูมันจะตายไหมอืมไปดังหนักอะ่ะแค่นี่้ไปเรื่อยเรืยรู้เองมันชัดชัดตัวเองไม่ต้องมีเขามีเราเข้าไปรู้มันรู้เท่าไหร่เท่านั้นมันก็ต้องเป็นนักพิสูจน์พอสมควรนะะแต่เป็นนักพิสูจน์อย่างนี้ก็ไม่กช่ใจอ่อนไม่ได้เหมือนกันกลัวาตายก็ไม่ได้ตายก็คือตายแค่นั้นเอง ตายก็มีครั้งเดียวแต่ตายเพราะทาความเพียรน่้จะดีกว่าไอ้ไอ้ไปตายเพราะลูให้ยแสเจ็บนี่แค่นี้เนี่ยเพราะนั้นในจุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายนามาทำเป็นเรื่องของจิตให้ศึกษาถ้าเป็นเรื่องของกายเรื่องของเวทนาทางกายเนี่ยให้ดูชัดๆรู้ให้ทั่วๆนั่นแหละนี่ง่ายสั้นๆแล้วมันก็ค่อย รู้อะไรเขาตัวเองนะเพราะนั้นนั่นเขียเป็นเคื่อหัดที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ความโหดร้ายความดิบความเถื่อนอะไรไม่ต้องพูดถึงกันอย่างที่เล่ามาเนะี่ยนี่ทุกคนนะบางคนจะบาคนจะดีกว่าท่านด้วยซ้ําไปนะแต่ท่านก็มา อ, อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้ น, นมาว่าดีแล้วถ้าเข้ามาตอนนี้ก็ช่วยงานได้เยอะมี ง, งานได้แล้วก็มันก็มีเหตุ บรรดาที่ให้เป็นว่าอย่างนี้นในสมัยแรยกๆ เ, เ, เราบุกเบิกบที่ในปี 46-47 ท่านก็มาช่วยเป็นระยะระยะระยะอืเะะนะดังนั้นในจุดนี้แหละเราก็คงจะถึงแม้จะใช้เวลาหน่อยเพ่าะฉะน้นท่านใช้เวลาสิบกว่าปีปกว่าจะมาอย่างนี้ได้พอมาแล้วก็ทํานะดังนั้นในช่วงที่ท่านจะมาหากินพอมีเงินได้เก็บเงินได้ท่านจะมาซื้อที่ แถวนี้เอาไว้เพื่อเตรียมไปสำนักก็ได้พึ่งพากันในปะัจจุบนนันนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทางไพศาลก็เลยเอามาว่าจุดเนีเน้เป็นเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนกลางพยายโยมก็มาอยู่ปฏิบัติกันตไปกับมาเนี่ยหลายรอบทางเหนือก็ไปใช้ที่แพร่อย่างนี้ก็ ในช่วงเย็นวันนี้ว่าหลังจากท่านเข็มพูดจบแล้วให้ยุมต่อดูมันจะหมดเวลาแล้วเนาะเอาไว้พรุนี้เช้าต่อเราจะเดี๋ยวจะยาวไปคพรนี้เช้ามาเราก็เป็นช่วงเก็บอารมณ์แล้วก็หลังจากที่ธวรมเช้ า, า, ชาเสร็จแล้วคนที่จะกลับก็ได้รับการตรวจสอบว่าจะกลับบ้านได้ไม่ได้สมมุติว่าตรวจสอบผ่านก็กลับได้ถ้าสอบไม่ผ่านก็อยู่ต่อเลยนะ เพนั้นคืนนี้นไปคิดให้ดีก็แล้วกันว่าจะ <laughs> พรุ่นี้จะห่านโดยสอบถ้าไม่แน่ใจว่าหานการโดยสอบเอาให้จบพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็แล้วกันนะฟื้นเมื่อื่นนี้แกเช้ า, าจะตรวจสอบพร้อมกันเลยพรุ่งนี้เย็น ๆ, ๆก็ได้ตรวจสอบมันไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆนี้ใครไม่ผ่านกตรวจสอบก็ต้องอยู่ต่ออีกงเจ็ดวันนีนี้ <laughs> อันนี้สุนออันก็อมท น, นาท่านเข็มที่ได้จ้า ให้ก็คิดและไปสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นภาพให้เห็นชัดๆนะก็มีอย่างที่เข้าไปครนโมทนาความตั้งใจนำมาไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เราจะได้สัมผัสกับความเรียกว่าสัจธรรมที่เป็นจริงในตัวเราเองด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ